ในเสียงนะระบบ FM ความถี่ร0 1 7 5อเมกเฮิร์และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิร์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการ์ค่ะจากมาแสนไกล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 พาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันท่าศรัทธ า, าบัน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 ท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกท่านเหตุการ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้ก็ดูสถานการณ์โควิดนี่ค่อนข้างที่จะคลี่คลายตัวลงไปมากวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนายงตรีนะครับลงไป ตรวจราชาการที่เพชรบุรีนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีแรงงานนะครับนะ่ะก็ลงไปกันนะครับนะ่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับก็ลงไปที่เพชรบุรีไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอาการกรัดจากการจัดการน้ําอะไรต่างๆนะการบริหารการจัดการน้ําและการแก้ปัญหาน้ําท่วมลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีนะครับก็มีฮะลงไป ดูกิจาการต่างๆและส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับนะก็มีสอสอในในจังหวัดเพชรบุรีแะครับไปไปต้อนรับนะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็น้ำท่วมหลายที่นะครับนะก็ในส่วนของรัฐมนตรีนี่ลงไปตรวจงานแต่ในวันเดียวกันนี้ในส่วนของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับนะก็รองนายยงตรี ในหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนีลงไปตรวจงานอยู่ที่อยุธยานะครับนะก็จะมีผู้ติดตามาคลเอกปวีณ์นี่เป็นสสอของพลังประชารัฐถึง50กว่าคนนะครับนะซึ่งมีจํานวนส ส, สนไปต้อนรับเป็นจํานวนมากเป็นที่น่าสังเกตของของสื่อกันนะครับไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต่ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างโดยที่โครงการ ส่งน้ําและบรรบรุงรักษาคลองบางบานนะครับนะก็แถวอยุทยานี่ยแหละครับนะก็ตรงนี้นี่ก็ไปดูป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการน้ําท่วมแหะครับนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอยุทยาก็เป็นแหล่งรับน้ํานะครับนะว่าจะจะมีผลต่อกุงเทพโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ไปลงไปตรวจงานกันก็ก็เป็นเพื่อที่จะป้องกันน้ําตอนนี้เราก็จะเห็นว่าปัญหาน้ํานี่ ในหลายๆพื้นที่ในน้าท่วมแต่ว่าบางพื้นที่นี่ก็ฝนทิ้งช่วงก็ยังเป็นภัยแรงอยู่ยังทํานาไม่ได้ผลแต่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถวภาคเหนือนี่มีปัญหาน้ําท่วมเพราะฉะนั้นนี่คงจะต้องเร่งกันไปแล้วผลเอกประวิทย์สัมภาษณ์หลํารักวังสถานการณ์บอกว่าก็ไม่ได้เป็นการวัดพลังกันกับนายงตรีไม่มีความขัดแย้งอะไรต่างๆยังสามาัคคีกันดูกันดีอยู่นะครับนะเพราะว่ามีข่าว เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนสอสที่ติดตามแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ในส่วนของลําตีนี่ลงไปตรวจงานก็เป็นสิ่งที่ดีสถานการณ์โควิดวันที่23กันยายนเนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยของนายแพทย์สเสวิชชัดนามวาดผู้มีการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาะวะฉุกเฉินก็บอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 11,000 252รายนะครับนะเสียชีวิตเพิ่มร้อยรายนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ผู้ที่เสียชีวิตอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีมากถึง109ารายนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี2563นทะตอนนี้มีไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม1 5ึ่งล้านห0 0แสนราย นะครับแล้วก็เป็นร้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปีสองพสิสามเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วถึง 15, หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ด้อยห้าสิบสามรเป็นจำนวนสูงนะครับอนะ่ะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี้คงจะต้องพยายามที่จะแก้ไขกันกันต่อไปนะครับแล้วก็ในแพทย์สวเวตสันก็กล่าบอกว่าอ่าจะ ตอนนี้เรามีการวันที่21กันยายนมีการฉีดวัคซีนเพิ่มอีกประมาณแปดแ00หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเ้าร้อสิบห้าโดสนะรวมยอดที่ฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ยี่สิดกุมภาพันธ์ตอนนี้เราฉีดไปแล้วประมาณสี่สิบหกล้านนะครับสองหมืสาพันกับสิบหโดดก็เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรนะเข็มที่หนึ่งที่เราฉีดไปยีิบเก้าล้านนะครับยี่สิบเก้าล้านห้าแสนโดส ห้าแสนลายนะครับนะก็คิดเป็นสี่เอ็ดร้อยละสี่บเอ็ดนะกับจำนวนประชากรเข็มที่สองเราฉีดไปสิบห้าล้านแปดแสนเก้ามนเก้าพันลายคิดเป็นยี่บเปอร์นตของจำนวนประชากรและเข็มที่สามฉีดไปหกแสนสองมืนสองพันเจ็ด้อยสิบแปดลายนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้นยิ่งฉีดวัคซีนได้ครอบคุม จำนวนประชากรได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะสามารถป้องกันยับยัง้งโควิด -19 ได้มากเท่านั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องเร่งนะครับแล้วก็เราก็จะมีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังให้ได้ 70% ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้ก็เนะร่งพยายามที่จะเร่งฉีด เพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าจะาเร่งให้ครอบคุมกันกได้อย่างไรนะครับเพอ า, าะวัคซี น, นในหลายๆพื้นที่ชาวบ้านคนยากคนจ น, นก็ยังก็ยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับบางพื้นทนี่ก็ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเดียวนะครับเพราะตรงนี้คงจะต้องมีการากระจายกันนะครับว่าจะทําอย่างไรแล้วก็อตอนนี้นผู้ติดเชื้อสูงสุดใน10จังหวัดกระจายกันไปนก็มีตั้งแต่กรุงเทพ สมุทรปราการชวนบุรีราชบุรีสงขาระยองนราธิวาสป่าจีนบุรีแล้วก็นะครราีมาแล้วก็ปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เป็น10บจังหวัดนะครับที่ต้องจับตามองกันอยู่เพราะว่ามีมีการติดเชื้อยังมีการติดเชื้อมีคัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งต้องต้องระมดัดระวงังโดยเฉพาะจะต้องมีการเข้มงวดโดยเฉพาะใน คัสเตอร์ในงานงานบุญต่างๆนะงานบุญงานกระถินงานนะเลี้ยงกเกษียณอายุหรือมูติตาจิตนะนเทศกาลกินเจจะต้องนะมีการใช้ระบบออนไลน์กันขึ้นมานะครับก็จะเห็นการจัดงานกเกษียณออนไลน์นะครับนะก็เพื่อที่จะป้องกันไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับนะก็จะนะต้องมีการปรับประยุกต์กันไปรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 พ่อพรหลวงพ่อช่วยทีอําเภอพาชีอายุทยามุงมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สารต่องานเต็มทีอยู่ก็ร่มเย็น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 สัจจานิเกราะสัพระพุทธิตาสัพพะโ์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 ปากใจโซโซให้วัดปะโกแพ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกวันวอนพ่อให้ช่วยบาป ท, ที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศกฐานักที่ยังหลมป่วยพ่อรวย โปรดช่วยนาทางครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในส่วนของอกระทรวงการคลังเลยนะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ รัฐมนตรีคลังก็เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมของคอรมอรับทราบการขยายเพดานหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือต่อ GDP เป็นจาก60เปเ็นป็น70นะครับโดยบอกว่าให้มีพื้นที่ทางการคลังให้มีการกู้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจกนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่รัฐก็จะกู้ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท แล้ก็จะแต่รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าย้ำว่าจะกู้เมื่อจำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีเงินกู้เหลือใช้อีกประมาณสามแสนห้าหมื่นล้านในขณะที่ภาคเอกชนพวกธุรกิจน ะ, ะก็หนุนการขยายเพาดานนี่สาธารนณะเพราะว่าจะต้องเอาเงินมาอัดฉีดเศรษฐกิจที่จะที่บซบเซาละครับจากาโรค ก, การระบาดของโรคโควิด1 i นะแต่ว่าก็ต้อง มีแผนลดหนี้ที่ชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับ ว, ว่าจะจะจะจะมีแผนอย่างไรนะครับนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่ในอาคมรัมตีคลังก็บอกว่าในเดือนกันยายนปีนี้นี่สาธารณาเราอยู่ที่ประมาณร้อยละห้าสิบแปดจุดเก้าหกนะครับนะซึ่งก็ยังต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซนแต่หากมีการกู้เงินอีกสามแสนห้าหมื่นล้านในปี 2,565 นะภายใต้พรบกู้เงิน5แสนล้านก็จะทำให้หลุดกรอบ 60% เก็จึงต้องมีการขยับเพดานแต่ว่าก็ตรง น, นี้ก็ต้องใช้อย่า ง, างประหยัดแหละครับนะจะต้องดูนายสนั่นอังอูบลกูลประธานกรรมการหอการค้าไทยก็กล่าวว่ก็การขยายเพดานนี่สาธารณะก่อนี่เพื่อมีความจำเป็นเพราะว่าตอนนี้เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้เพราะการระบาดของโควิด i n e t ทำให้เศรษฐกิจไทยเดือบบช้ำมาหลายระลอกต้องอัดเม็ดเงินเพื่อให้ระบบในการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนของนายสุพันธ์มงคลสุทธีประธานสภาวสากรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าสภาวสากรรมสนับสนุนนะครับการเพิ่มเพดานนี่สาธารณะเพื่อรองรับการกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านล้าน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าการกู้ก้อนใหม่รัฐบาลต้องใช้ใจอย่างระมัดระวังนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงเตือนไว้วครับว่าก็ควรจะต้องมาใช้เร่งด่วนได้แก่การเยียวยาผู้ประกอบการก็ประกอบการธุรกิจที่ทุกประเภทนะครับอย่างเช่นการขยายวงเงินค้าประกันบริษัทนะครั บ, นะรบนะต่างๆนะสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นะครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการขยายลงไปให้แก่ลูกนี้นะครับนะเจน่าจะเป็นอย่างงั้นนะเพราะฉะนันคงคงมีการขยายการค้าประกันต่า ง, างๆนะก็ต้องมาช่วยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะว่าจะต้องใช้ใจ่ายอย่างรอบครอบแหะครับนะการที่จะนําเอาเงินกู้ต่างๆเนี่ยมามาม า, มาใช้นะครับนะเพราะว่ารัฐบาลนี่ตอนนี้ก็กู้กันเต็มเพดานแล้ว นะครับนะเต็มเพดานแล้วก็จะทำให้อ่าจะต้องเอาเอาในส่วนของเงินกู้ใหม่มามาเสริมนะ้วครับถา้าไม่เช่นนั้นนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ SME ก็เป็นแหล่งในการจ้างสำคัญของแรงงานนะทั้งไทยและต่างชาตินะครับนะเพราะว่าเพราะว่าเรามีแรงงานทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินี้เข้ามาอยู่ในธุรกิจต่างๆนกันกันมากนะครับนะระยุง์ไม่ให้ นะธุรกิจเหล่านี้ล้มนะครับนะจะทำอย่างไรนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้มีการเลิกจ้างงานถ้ามีการเลิกจ้างงานก็จะกระทบแตเศรษฐกิจใ น, ในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นี่ตรงนี้คงจะต้องดูนะครับนะเพราะ SME นี่เป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญเหมือนกันในขณะทีนะ่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะก็คงจะนะกระทบแต่กระทบอาจจะน้อยนะครับนะสิ่งหนึ่งที่ ที่จะมาล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจไทยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละครับนะการท่องเที่ยวแต่ว่าเราจะเปิดประเทศนี้ก็คงจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนแหละครับนะเพราะว่าถ้าเปิดให้ต่างชาติเข้ามาแล้วมีการระบาดอีกก็จะไม่คุ้มคงจะต้องดูนะครับนะว่าจะจะขยายการท่องเที่ยวในรูปแบบของภูเก็ตแซนด์บ็อกกันได้อย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากตรงนั้นไปก่อน นะครับนะแล้วก็ค่อยๆขยายไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็ อ, อาจจะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนก็เป็นไปได้นะครับนะให้ชาวชาวบ้านชุมชนเที่ยวกันนะครับนะเพราะนั้นคงคงต้องหารูปแบบในการช่วยเหลือนะครับนะเศรษฐกิจในระดับรากหญ้ากันด้วยนะครับนะก็ฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการขอเรามาถึงช่วงไทยของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุหรีเรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ ิรานกุลานันต้องขอลาท่านนไปก่อนแล้วพบกันโ อ, อกาสหน้าครับสวัสดีครับปุตตากามโมและเพรปุตตังธนกามโมและเพทะนังอธิกาเยกายายะเทวนังปิยตังสุ ต, ตวาติติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าวเวสุวนโนมรนังสุขขัง อรหังสุขโตณโมพุทธายกราบหลวงปู่โตพรหมมรังสีขอให้ลูกนี้โชคเดรื่อยไปเรื่องรายอย่าผ่านทวกมันอย่าซนขอให้พ้นทาย กราบหลวงปู่ให้ปัดเป่าสักครากราบหลวงปู่โตพรมมรังสีขอให้ปู่นี้ท่านมีเมตตาเสกให้คนรคงรักใคร ใจศรัทธาผู้ช่วยเมตตาลูกนี้สักคนปุตตะกาโมระบเพปุตตังชีวิตลูกยังมีเรื่องสับสนธนากาโมรับเพ ดางดินนรนช่วยบรรดานดลนให้ผลปลอบไัยกราบหลวงปู่โตพรมมรังสีขอพรปู่นี้ช่วยบรรดานใสนสมหวังทุกเรื่องอย่าเครื่องอย่ามอง สมปองที่วางตั้งใจจะทาอวยชัยของสม นทนธนาการโมระเพทนานลูกยางดินนรนช่วยบรรดานดลนให้ผลปลอดภัยกราบหลวงปู่โตพรหมมรังสี ขอพรอนปู่นี้ช่วยบันดาลให้สมวังทุกเรืองอย่าเครื่องอย่ามองสมปองที่ว่างตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเก่อติดทุกสถานการณ์